จะได้เป็นทองแ่นเดียวกันมวยจ้าจงรู้ใจพี่เธอดนะว่าพี่รักดังชีวันตั้งแต่ได้พบหน้ากันความรักมวยนั้นมันตื่นตัน You're yeah. นนยืันในวันนี้นะคะเราจะมาฟังประวัตินักร้องเพลงลูกกรุงรุ่นใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสามขุนพลเพลงลูกกรุงร่วมยุคสมัยกับสุเทพวงกำแหงชรินนันทนาครเป็นพี่ชายหน้าแท้ของนักร้องนำวงสุนทราพรด้วย เดาซิใครคุณนริตอารีนั่นเองค่ะคุณนริตอาเรนะเป็นน้องชายแท้ๆไม่ใช่พี่ชายนะเป็นน้องชายแท้ๆของคุณวรนุชอารีชอบร้องเพลงประกวดตามงานวัดหลังจากที่ชนะเลิกการประกวดร้องเพลงที่วิทยาลัยบพิตรพิมกุกจึงได้เริ่มเข้าสู่วงการสลับกับการแสดงละครวิทยุ และร้องเพลงกับคณะละครพันตรีศิลประร้องเพลงสลับฉากที่ศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมกรุงรุ่นเดียวกับสุเทศวงกำแหงและชรินนันทนาครค่ะเพลงของนริารีที่มีชื่อเสียงคือเพลงชั่วนิดนิรันดร์สักวันหนึ่งผู้ครองรักผู้แพ้เปียจา ม่วยจ๋ากลิ่นก้าวแม้พี่นี้จะขี้เหมาคุณนริศนะคะเสียชีวิตเมื่อปี2554้าห้าิบี่ด้วยโรคพาคินสันและเบาหวานซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะที่หลายๆคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเสียเสียดายนะผลงานเพลงเสียงดีๆของคุณนริศอารีนะคะเอาละค่ะในวันนี้ เราจะมาฟังเสียงเพลงเพราะเพราะของคุณนริตรอารีนะคะซึ่งชื่ อ, อเราเรามาฟังเพลงชั่ว น, นิรัน์แล้วก็สักวันหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเดี๋ยวดีเจแอมจะดูนะคะว่าพอมีเวลาเหลือไหมอาจจะเปิดบทเพลงอื่นๆให้พวกเราได้ฟังกันนะคะ เอาละค่ะอย่าลืมติดตามรายการแฉหมดเปลือกทั้งทางเฟ e บุ๊กรายการวิทยุแล้วก็ line ลายแอดลนยแอดนี่คือพิมพ์ว่าแอดเอแอดนะเทลยูออกโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ วันนั้นเธอต้องมองไหมเธอลืมน้ำคำเจ็บจำช้ำใจคงได้กับเธอสักวันเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของ อ่าภรรยาของคุณกระสิตโพสีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะสวัจ้อ่า เ, เดี๋ยวให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลที่อยู่จ้ะจ้าป้าชื่ออะไรจ๊ะชือชื่อปอัดโตจากปัดโตนามสกุลโพสีคือปอ้าโอโพสีอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่เท่าไหร่ หนึ่งสองเก้าจ้ะหนึ่งสองเก้าอ่าเออเออจะตําบลลดอ่ะลานจ้ะตําบลสาแก้วอำเภออำเภอจาแก้วจังหวัดนครสวรรค์อ๋ออยู่ตําบลสาแก้วอำเภอลาดยาวจ้ะจังหวัดนครสวรรค์นะจ่ะค่ะคุณค่าเดิมเป็นอาการอะไรมาจ๊ะเล่าให้ฟังนิดนึงเออปวด วดขาเนี่ยปวดข้างๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะข้างข้ามัใจไหนข้างนั้นขาเนี่ยมันปวดข้างนอกนี่อืออ่ามันไม่ได้ปวดข้างที่วางขาขอโทษนะค่ะอ่ามันมันปวดทั้งนี้ทั้งนอกขานี่ทั้งกระโปงนอกขาทั้งนี้นี่มันปวดแล้วมันยืนแล้วมันปวดปวดยังก็จะหลุดไปเลยอะปวดแล้วห้อยเลยแล้วปวดยังก็จะหลุด ที่นี่มากกินชุดแรกกันน่ะไปะยืนนานๆปลูกมันได้เกือบตลอดลอ่องก็ยังมาปวดทุกซีนไม่ทันดิมได้ถึงครึ่งล่องแล้วจะต้องหยุดจะต้องนั่งเสียบนี่ที่นี่เสียบได้เกือบตลอดล่องเลยก็ไม่ปวดไม่เล่านี่นี่ก็พอดีมาหมดหมดยา้าแล้วก็สั่งต่อชุดที่สองนี่นะจ้าสแสดงว่าคือก่อนหน้าเนี้ยคุณป้า ก็ปวดตรงหว่างขาปวดมากแล้วก็เดินลําบากแล้วก็เวลาเสียบมันก็ลาบากแต่เดี๋ยวนี้คือดีขึ้นเลยเหรอคะป้าดีขึ้นอันนับว่าหายไปเลยก็แล้วกันนะตะั้งแต่ชุดแรกเลยนับว่าหายไปเลยแต่ว่าถ้าไปแก้งนานๆเข้าแล้วจะเป็นอืมแต่ว่าคือเทียบเทียบกว่าเทียบกับตอนแรกคือดีขึ้นจ้าดีดีขึ้นเยอะอืม แล้วคุณป้าปบางคนเนี่ย<ะ>คือเขาไม่มั่นใจไงฟังฟังกันอยู่แล้วก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะได้ผลจริงไงเห็นถามคนนั้นคนนี้ป้าช่วยยืนยันหน่อยจ้ะดีดีแน่กินชุดเล็กนะชุดแรกเก็ดดีขึรู้สึกว่าดีเลยก็เสียบมันก็ล่องนึงก็3ามีวันเนี่ยมันไม่ปวดไงเมื่อยังไม่ได้กินแล้วต้องหยุดสามสี่อดอนะก็คือป้า ป้ากำลังจะบอกว่ามันดีขึ้นแล้วมันก็เบาวปวดนะแล้วมันก็ได้ผลค่ะแล้วป้ า, าเ อ, อ่อมีอะไรจะฝากบอกไหมบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเส้นอ่ะปล่อ ย, ป, อยป่อยไว้ก็ได้เดี๋ยวมันก็หายเองไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องรักษาม่ะมั้งป้ามองไงคเ ก, ก็นี่ไงแล่าที่ปล่อยไว้เดี๋ยวก็หายเองนี่ไงเล้าก็ถึงได้เป็นมากขึ้นนี่ไงแล้วป้านะอก็จะปล่อยมันเดี๋ยวก็หายเองไปจ้างเขาบีบมังอะไรมั่ง แล้วไม่หายไหมไ ม, หไม่หายจ้ะพี่นิววันนั้นนะ่ะเบอร์เอิญเปิดวิทยุเช้า ม, มืดอ่ะมาได้ยินพูดไง<ะ>ไมาได้ยินพูดมันโกงก็ที่เป็นไงอ๋ อ, อก็เลยโอโ้โหจดเบอร์โทรก็จะได้หลายนั่นแล้วเกินคือป้า <c oughs> กําลังจะบอกบอกกาลังจะบอกว่าไอบ้บางคนนะ่ะเป็นเส้นคิดว่าเอ้ยเป็นเป็ น, ปนหายหาย เดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกจริงๆอยากไม่อยากคิดไปเองมันไม่มีทางหายเองได้ถูกไหมคะจ<า>้ะอืมนี่แม่ก็เป็นอ่าอย่า ง, งานั้นไงที่ปล่อยเขาไว้ไงที่นี่มันก็เป็นมากเป็นมากขึ้นห น, นึ่งแล้วเนี่ยคือว่าปล่อยมันก็เอเดี๋ยวมันก็เป็นเองก็หายเองมันไม่มันไม่หายจ้ะทีอืมแล้ก็เป็นเป็นจนปวดจนจะทํางานไม่ได้เลยอ่ะ ทีนี้ก็ได้ยินนี่เนี่ยได้ยินที่พูดนี่เนี่ยก็เลยมันเหมือนโลกที่เราเป็นไม่เลกิกตินแก่นั่นกินแก่นี่อย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนกสิที่เราเป็นทีนก็เลยจดบมือโทรก็ตอนเย็นก็โทรเลยอนะอืมค่ะเออนั่นเนีะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะทางรายการมุญไร้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณ เออคุณป้าอ่าภรรยาคุณประสิทธิ์โพสีนะคะที่วันนี้ <ยะ S 1> ได้มาบอกเราเก้าสิบถึงความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมูลไบเดิมเนี่ยอ <ยะ S 1> าการเนี่ยคือปวดตรงหว่างขาปวดมาก<ย>ะนะคะแล้วก็เดินลรำบากแต่ตอนหลัง <จะ S 1> ใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบแล้วดีขึ้นอาการปวดที่เดิมที่เคยมีมันก็หายไปนะคะหายหายจะอืมมันก็เบา <จะ S 2> ขึ้นนะคะถ้าทางรายการมูลไบต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะขอบคุณมากค่ะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณอมพรอภิสิตาโนนกันค่ะสวัสดีค่ ะ, ะคุณพี่คะจ้าค่ะสวัสดีค่ ะ, คะให้คุณพี่แนะนำชื่อนามส ก, กลุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะอ่าเอาอยู่บ้านเลขที่นะคะแปดสิบเจ็ดทับสามไมแปดสิบเจ็ดทับเก้าค่ะหมหนึ่งค่ะ ตำบลหนองยาวค่ะอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะอ่าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะแล้วพี่อําพรนี่เอ่อเดิมอะค่ะอาการคุณแม่เป็นอะไรมาคะโอ้แกก็เป็นอัมพฤกษ์อั ม, มาพาตเนาะอื ม, ม, ออมค่ะเป็นมากี่ปีอะคะอั ม, มพฤกษ์เนี่ยโอ้เป็นสิบปีแล้วคะ่ะเป็นเป็นนานแล้ว อ๋อเป็นมาสิบปีแล้วอาการเอ่อที่เป็นอยู่ค่ะเช่นเดินไม่ได้ไหมหรือว่าเป็นอะไรอ๋อใช่เดินเดินเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้เดินไม่ได้นะอ๋อคุณแม่เดินไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้มาสิบปีแล้วได้พยายาม<ต>หาวิธีรักษาอย่างอื่นบ้างไหมคะโอ๋อก็โอโ้พยายามหลายหลายหลายอย่างแล้วทีนี้แล้วก็เป็นอะไรนะเช่นเลือดในสมองติดด้วยอะไรด้วยอะค่ะก็เลยเลยทานยาหลายตัว เรียกว่าเขาออกโรงพยาบาลกันเป็นปกติเลยอ่าจ้าจ้าจาใช่ใช่ใชแล้วเออคือมารู้จักกับมูลไรได้ยังไงอะคะพี่อ๋อพอดีแม่นะก็ฟังในรายการวิทยุค่ะเาว่าอ่าแกแก็ฟังรายการปุ๊บแกแก็น้องคนแก่แกแก็อยากหายอะไรเงี้ย่ะก็เลยบอกอยากลองทานดูอ่างเงี้ยนะอ่าค่ะจ้ะ อ๋อก็เลยเหมือนกับว่าฟังรายการคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะดีขึ้นก็เลยลองใช้แล้วหลังจากที่ลองใช้มูนไบรท์ไปแล้วใช้น้ํามันไปแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อน้ำมันน้ํามันใช้แล้วก็ดีขึ้นนะคะเพราะคนแก่แก่ก็เหมือนเอ่อเหมือนกับแขนจะมีแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมใช้แล้วแขนมีแรงขึ้นพอยกของได้บ้างไหมยกของได้บ้างไหมปกติแกนอนแกนอนกับ แกนอนแกก็ไม่ค่อยได้ได้ยกเท่าไหร่อะแกแต่เหมือนคำว่าคือคือคนแก่แก่ก็ก็เหมือนดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเด็กก็เลยอ่าอ่าอ่าค่ะคือแขนก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมอ่าค่ะแต่ทีนี้คนแก่ก็จะจะจะนานหน่อยเนาะก็เลยว่าจะลองใช้ต่อดูอะค่ะค่ะแล้วอคุณแม่ก็บอกว่าดีขึ้น เนาะค่ะค่ะค่ ะ, คะดีขึ้นค่ะอ่าแล้วคุณน้ำพรมีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนก็แบบไม่มั่นใจอ่ะค่ะอ๋อเลยค่ะก็ะคืออ น, น้ํามันอันนี้คือเหมือนคำว่าเป็นทําให้เลือดลมดีขึ้นแล้วก็แล้วคนแก่พอ แ, แก่ได้ตรงนี้ปุ๊บแกก็เหมือนอยากจะลองใช้ต่อดูว่าจะมีอาการดีขึ้นกว่า น, นี้ไหมอะไรเงี้ยค่ ะ, คะแต่แต่ถ้า อ่าที่ที่ลองใช้ดูมาสองขวดนะคะก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะทางรายการบุญบายนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณอําพรอภิสิตานนท์พี่อยู่ที่ลาดยาวนะคะตำบลหนองยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อย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 ในช่วงนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุว่าทําไมบางคนถึงชาเท้าคือบางคนเนี่ยลักษณะเท้าของเขาเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมตื่นนอนมาแล้วชามากเลยเอ๊ะหรือว่าเรานอนไม่พอหรือเปล่านะจริงๆอ่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะว่านอนไม่พอแล้วทําให้ชาเท้าสาเหตุของการชาเท้านั้นมีอยูออ่สองสาเหตุนะคะ เอาทีละสาเหตุก่อนสาเหตุแรกเกิดมาจากการที่เส้นเลาะข้างกระดูกสันหลังของท่านเนี่ยจมก็คือบางคนเนี่ยเส้นเลาะข้างกระดูกสันหลังมันจะเป็นร่องเป็นแบบกับจมลงไปนะคะแล้วก็ประการที่2ก็คือเส้นบริเวณแผ่นหลังอะคะ่ะโปดแล้วก็นูนขึ้นมาเป็นก้อนนะคะเอามาดูประเด็นแรกก่อนเส้นเลาะข้างกระดูกสันหลังจม ถามว่าจมแล้วมันจะทำยังไงมันจะเป็นอะไรต่อมันก็จะทำให้เส้นใต้ท้องขารลังแล้วก็ลามไปถึงนอ่องและสุดท้ายค่ะถ้าเป็นหนักมากๆเท้าก็จะชาด้วยแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ไม่รักษาะคะคือทิ้งไว้นานต่อไปต่อมาเนี่ยรองเท้าหายก็ไม่รู้เรื่องนะมักจะเดินเซหกล้มอยู่บ่อยๆ แล้วถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นอีกสุดท้ายค่ะท่านก็จะกลายเป็นอัมพาตนอนแบะในที่สุดคือเดินไม่ได้แล้วเห็นไหมคะความน่ากลัวของอาการชาเท้ากับกลุ่มที่ชาเท้าประเภทที่สองกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกิดจากหลังค่ะเป็นขดเป็นก้อนโนนขึ้นมามันจะเหมือนเป็นภูทุเรียนสองข้างเลย คือแนวตรงกลางของกระดูกสันหลังเนี่ยสังเกตง่ายมากกลุ่มนี้นะคะจะหลังเนี่ยคือเป็นร่องลึกเหมือนแอ่งน้ำอะคะ่ะถ้าเทน้ําลงไปเนี่ยตรงหลังเนี่ยโหน้ําขังได้เลยแล้วข้างข้างเนี่ยเหมือนจะเหมือนเป็นภูเป็นเนินทั้งสองข้างสาเหตุของกลุ่มนี้นะคะก็เกิดจากการที่นั่งทํางานนานๆยกของหนักหรือคือไม่ค่อยได้เปลี่ยนเอเจียบุตร น, นะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลังโคตเป็นก้อน มันก็จะทำให้เส้นตรงกบขาเนี่ยรั้งพอเส้นกบขารั้งมันก็จะไปรัดรอบหัวเขา่าต่อไปเนี่ยเขาจะปวดเขา่าและสุดท้ายก็จะทำให้ชาเท้าได้ซึ่งการชาเท้าของกลุ่มนี้ก็คือเตะอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะเตะอะไรก็ไม่รู้สึกเจ็บสุดท้ายนะคะแล้วก็จะกลายเป็นอัมาพาตนอนแบ์ได้เหมือนกันวิธีแก้อาการชาเท้าคือไม่ให้มันเป็นอนกไปมากกว่านี้เนี่ย ก็คือจะ ต, ต้องใช้น้ำมันสมุนไพรมูลไบรท์ทาถ้าหากว่าออถ้าเป็นทั้งสองอย่างนะคะก็ทาตั้งแต่แผ่นหลังลงไปใต้ท้องขากกขาหัวเขา่าแล้วก็น่องแล้วก็ทาลงถึงเท้าเลยเท่านี้ค่ะอาการชาเท้าก็จะค่อยๆหายไปแล้วดีขึ้นหรือถ้าใครเป็นมานานนะคะหลายเดือน ก็แนะนําว่าให้ใช้สมุนไพรล้างสารพิษพังผืดหินปูนของมุนไร์เพราะในตัวเส้นของท่านเนี่ยมันมีพวกพังผืดมีบางคนเนี่ยมีกรดยูริกเพราะเกิดจากการทานอาหารมีหินปูนเข้าไปเกาะไปจับทําให้เส้นของท่านยิ่งจมรวมถึงท่านควรจะใช้สมุนไพรบํารุงเส้นที่จะช่วยบํารุงให้เส้นเอ็นของท่านเนี่ย กลับมาฟูไม่เด้โจมหรือว่าไม่ต้องขดเป็นก้อนแบบนั้นนะคะอาการของชาเท้าของท่านก็จะดีขึ้นได้สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลไบรนะคะเรามีบริการเก็บเงินสดถึงหน้าบ้านเพียงแค่ท่านโทรเข้ามาที่ call center นะคะทาง call center เนี่ยจะมีบริการ ให้ท่านนะคะได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงเลยคือบางคนเนี่ยสนใจอยากจะสั่งแล้วแต่ไม่มั่นใจโทรเข้ามาก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะมี call center นะคะเขาคุยว่าท่านอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรเผื่อสนใจจะคุยกับตัวจริงเสียงจริงที่เป็นคนในพื้นที่ก็มา ค, คุยกันได้นะคะท่านใดนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับมูลไบร์นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งส้าสี่หเก้าดขณะนี้ที่ฉันอยู่ในช่วงมูลไบส์สัญจรบอกเล่า90้าความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบส์สัมภาษณ์คุณจารุพรเกตแก้วผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะ จะให้คุณจารุพรเนี่ยสัมภาษณ์แทนสามีเนื่องจากว่าสามีคุณจารุพรเป็นคนขี้อายนะคะเดี๋ยวให้คุณจารุพรแนะนําชื่อนามสกุลเองเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุพรแนะนําชื่อเลยค่ะค่ะฉันชื่อนางจารุพรเกตแก้วอยู่บ้านเลขที่เจ็ดิบสามทับหมู่ที่ 1, นหนึ่งตำบลหนองน้ําบัวอำเภอลาดยาวจังหวัดคนครสวรรค์ค่ะสามีชื่ออะไรคะมีชื่อลุงจิรวัฒน์เกตแก้วก็ อายุ6กถปีเท่ากันนะคะการก็คือเขาปวดหลังไปโรงพยาบาลไปหมอคลินิก mm. เขาก็บอกว่ากระดูกทับเส้นลงขาเนี่ยนะคะคือขาแกรี่ไปเลยแล้วก็หมอบอกว่าต้องผ่าสถานเดียวก็ทำเรื่องเอ็กซเรย์อะไรส่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ลุงแกก็ไม่ยอมไปผ่าคือผ่าแล้วหมอบอกว่ามัน50 50อะ่ะผ่าแล้วมันไม่แค่ว่าจะหายทำงานไม่ไหวกันเลยลุลงก็เลยไม่ผ่าก็เลย พยายามฟังวิทยุพอดีมาเจอมูลไบเนี่ย <c oughs> ก็เลยสั่งซื้อก็ไม่แพงนะเพียงคือกี่อย่างอ่ะสองสามอย่างเก้าร้อยกว่าแค่นั้นเองอ่ะเอามาทานชุดหนึ่งลุงก็มีอาการดีขึ้นก็เลยสั่งตอ่อตอนนี้ก็แกก็ยังกินอยู่แกก็ดีขึ้นอ่ะทำงานก็พอได้ทำอะไรไหวเดินเหินแกก็ไม่ปวดแล้วอะค่ะ เป็นมาแปดปีกว่าแล้วค่านน่ะตอนแรกก็มีอาการบ้างแกก็ไม่บ่นอะ่ะแกปากหนักปวดหลังคือซื้อน้ํามันอะไรต่ออะไรมาทาอยู่เป็นประจําแกทาขยันทาแล้วก็ต้องซ้ายใช้อะไรอะ่ะเขาเรียกเป็นอย่างตามบ้านนอกเราก็เรียกเข็มขัดอ่ะนะอันใหญ่ใหญ่อะ่ะเขาเรียกเสื้อพยุงหลังอะไรนะเอามามัดอยู่เป็นประจะําอ่ะถ้าไม่งั้นก็เดินไม่ไหวอืตอนนี้ก็ดีขึ้นไม่ต้องใช้เท่าไหร่แล้วอะ่ะเริ่มรู้ว่าดีเลย ปัจจุบันนี้ทำงานก็มันก็ปวดเหมือนกันแต่มันก็ไม่ไม่ถึงก็เมื่อก่อนนี้แล้วมันก็ดีขึ้นอ่ะ 90% เแล้วอ่ะทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไหร่ ถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ำมันมู่นไรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0813946977สาจยำสามเเจ เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณนาสินีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะอ๋อค่ะชื่อนาสินีเกิดปังค่ะตอนนี้ปัจจุบันเราอยู่ที่อําเภอขานุค่ะจังหวัดกาแพงเพชรแต่ว่าตัวคุณตาที่ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญไล์อยู่ตอนนี้คุณตาอยู่ที่ตำบลมหาโพอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ๋อตัวน้องนี่อยู่อําเภอขานุจังหวัดเพชรนะคะ ขอคถามนิดนึองอค่ะคุณตาเนี่ยท่านมีอาการเป็นอะไรมาคะเขาจะเป็นเหน็บชาค่ะที่ที่มือที่ขาแล้วบางครั้งก็จะมีอาการปวดเกรงนะคะเป็นเหน็บชาที่มือที่ขาแล้วมีอาการปวดเกรงเป็นบางครั้งใช่ค่ะใช่ค่ะต า, าเป็นมานานแล้วหรือยังคะนานค่ะพี่เป็นนานมากใช้หลายๆอย่างพยายามหายาหายานวดหลายๆอย่างให้ใช้ แต่คือมันก็แค่บันเทาได้แค่เป็นครั้งครั้งนะคะพี่ก็เรียกว่าใช้มาเยอะแต่ไม่หายค่ะถูกต้องค่ะแล้วหมดเงินไปเยอะไหมเยอะค่ะ <c oughs> เท่าไหร่ <c oughs> ค่ะเร <c oughs> าได้เลยเยอะค่ะ <c oughs> ไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ไปค่ะพี่ไปครั้งนึงก็หลายบาทค่ะหลักพันก็มีหลายพันก็มีค่ะอืมก็เรียกว่าหลายๆปีรวมกันเนี่ยหมดเป็นหลายหมื่นใช่ค่ะไม่หาย แล้วมารู้จักกับมูนไบรท์ได้ยังไงอะคะอ๋อคุณตาฟังจากวิทยุอะค่ะพี่อ่าฟังจากวิทยุแล้วได้ลองใช้ผลิตภณัณฑ์มูนไบรท์ใช่ค่ะได้ลองใช้แล้วก็มีจากเพื่อนบ้านเขาแนะนำเขาเคยใช้แล้วเขาก็บอกว่าสินค้าเขาเขาเป็นสมุนไพรจริงๆนะเขาไม่ใช่โฆษณาแอบอ้างอะไรเนี้ยค่ะพี่ก็เลยลองอยากลองครั้งแรกเริ่มจากการอยากลองครั้งที่สองที่สั่งนี่เริ่มจากการใช้แล้วมันได้ผลอืมค่ะ ค่ะแล้วที่คุณตาได้ผลเนี่ยได้ผลอะไรบ้างเพื่อการเห็ดชามันน้อยลงค่ะพี่จากที่แกหยิบของแล้วบางครั้งของจะหลุดมือค่ะค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะก็คือหยิบของแล้วติดมือเลยไม่หลุดมือใช่ใช่ไม่หลุดมือค่ะกปกติแล้วมันของมันตะหลนจากมือบางทีจับอะไรแล้วเหมือนแกแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วที่คุณตาเหมือนกับว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็เรียกได<น>้ว่าถ้านับว่าตั้งแต่ก่อนทานก่อนใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะตนเนี้ยคุณตาดีขึ้นน้องมองว่าดีขึ้นสักสิเปอร์เซนเ อ, อ่อตอนนี้ถ้าถามเราตัวตเองก็สักหกสิบเปอร์เซ็นะคะี่แต่เพิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ไปได้แค่ชุดเดียวเองนะคะอือชุดเดียวดีขึ้นส0ิเปอร์เซ็นใช่ค่ะแล้วน้องคะนิดนึงนะบางคนเนี่ยที่ฟังรายการอยู่ตอนเนี้ย ค่ะว่าไอ้ที่สัมภาษณ์สัมภาษณ์มากลัวโดนหลอกว่าเป็นสเตอรรอยมั่งล่ะกลัวว่าแบบไอ้ที่ทานสัมภาษณ์กับที่เราพูดกันอะไม่จริงไปจ้างหน้ามากันน้องมองว่าอย่างไรคะถ้าถามดาเราก็รันตีได้เลยค่ะพี่ไม่ใช่หน้ามาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตัวเรเองเราก็เป็นแม่ค้านะขายของอยู่หน้าชาเวนตลาดตะส่วนถ้าใครสนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาถามเราก็ได้ใช่เพราะใช้จริงค่ะยืนยันจริงดีขึ้นจริง ใช่ค่ะแล้วมันเป็นสมุนไพรแท้ๆมันไม่มีไม่สมุนไพรค่ะไม่ไม่ใช่สเตรอยด์ค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างรู้เรื่องยาพอสมควรนะพี่ถ้ามันเป็นตัวสเตีรอยถ้าเราหยุดกินหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีอาการข้างเคียงเช่นกลับมาปวดหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณตาคือไม่กินก็ไม่ปวดคือใช้หมดมาได้ประมาณกินแล้วอะค่ะอืมค่ะก็ไม่ไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรตาก็ไม่เป็นอะไรก็ปกติค่ะใช่ค่ะก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ฟัง วาอยานน ะ, นะคะใช่ค่ะทางรายการมูลไร้์ก็ต้องขอขอบคุณคุณดาวหน้าสีนีนะค ะ, คะตลาดไหนคะตรงตลาดตาส้วนนี่แหละคะ่ะของอาเภอขานุเลยค่ะพี่ตลาดสดสมหวังอะคะ่ะตลาดสดสมหวังอ่าเผื่อใครสนใจนะคะขายอะไรคะของดาวเป็นขายแซนวิชค่ะพี่อ๋ออ้าวใครสนใจนะคะไปติดต่อที่ตลาดตาส้วนได้นะคะขายแซนวิชนะในอําเภอขานุ ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดมีคนสนใจจะติดต่อที่เบอร์เบอร์ไหนได้คะศูนเก้าสามได้ค่ะค่ะสองหกเก้าค่ะหกหกแปดเจ็ดค่ะูนย์เก้าสามสองหกเก้าหกหกแปดเจ็ดนะคะย่ะเจอตัวจริงคุณดาวไปสอบถามว่าเออคุณตาเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือสนใจกับคุณแอนวิทก็นะคะมาซื้อได้ๆๆยืนยันให้ค่ะว่าไม่ใช่น้ามา้าไม่มีการสร้างวานแต่อย่างไรค่ะ ขอมากค่ะะะดดคค่่สสวัสีชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบร์ย้ำชาอมือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ํามันมูลไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ศูน 1ปดหนึ่7สามสหเกเจจำปดสสหเกเจด เป็นเงาอยู่เคียงข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิเก้าไปด้วยกันนอสองเาในวันนี้ที่เดิมที่เก่าบ่มีเจ้าคือจังวันนั้น เหลือเพียงรูปทางคู่เหาที่เคยยืนเคียงข้างกันขับมอนใบนั้นยังคงวางที่เดิมที่เก่ามอนใบเดิมใบเก่าใบนี้อายต้องขอโทษที่ที่มันมีหอยนะา เพราะคำสั่งสวรรค์หรือจังได้น้องจึงต้องจากลาบอกกลับมานอนเล่าความฝันคือจังวันกองหมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนนลุนกัน ตอนนี้มันกลายเป็นมอนไว้ร้องน้ำตายาำคิดฮองอายกอดหมอนกอดคือจังกะว่ากอดนองลาแล้วละฝันด้วยกันสอง ใบเดิมใบเก่าใบนี้ายต้องขอทดที่ที่มันมีหอยน้ำตาเพราะคำสั่งสวรรค์หรือจังได้น้องจึงต้องจากลาบอกกลามานอนเล่าความฝันคือจังวัน อมอนใบเก่าที่เราเคยนอนนุนกันตอนนี้มันกลายเป็นมอนไว้ร้องน้ำตายามคิดฮอดไอ้กอดมอนกอดคือจังกะาว่า น้องลาแล้วละฝันด้วยกันสองหฮาอกกอดความฝันว่าเหาหากันช่วนี้รัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มุนไบรท์ค่ะวันนี้นะคะดีเจแอมค่ะอยู่กับคุณบุญหลายหินกอกนะคะซึ่งคุณบุญหลายเนี่ยได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของมูนไบรท์ไปใช้แล้วเกิดความประทับใจค่ะวันนี้นะคะจึงมาบอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมุนไบรท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญหลายคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อ๋เดี๋ยวแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยเลยค่ะครับผมบุญหลอย 20, 65, ู่กอมู่สองเจ็ดหกหนงสิบ้าวังสะพูอำเภอขานนวอนักตักุนจังหวัดกำแพงเพชค่ะคุณบุญหลายคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของมุนไบร์เนี่ยคุณบุญหลายเป็นอะไรมาคะเป็นกระดูกฟอสซิครับเป็นศิปีแล้วไปรักษาหมอแผนปัจจุบันก็ หายไปครับพักหนึง่งมาขับรถไปตอนทาไรนะครับเหมืนกันตื่นขึ้นหนึ่งค่ะไหาหมอมันก็ไม่หายแตนเนี้ยค่ะกินยาอะไรมาเยอะมันก็ยังไปดีิงครับอยู่ดีตื่นตอนนี้ตื่นกระชูตื่นนอนมันก็ปวดพวกเขา่าปวดข้อเนี้ยเดินจะไม่ได้ตื่นก็แบบเขยิบขยิบแต่นี้่ขยีขาไงปันลงไปก็้วินยาอะไรก็ไม่หาย ม, มายมเลยได้ยินมบนใบที่ประกาศทางทีว หรือว่าเอาคุณเล็กมาดลองใช้ทับฟูกันหน้ากนเลยคังคุณเล็กมาลองใช้ไปการไปตุดติดวันแปดวันเนี้ยครับคดว่าดีขึ้นว่าดีขึ้นเนยอย่างเงียไม่เหมือนง่ยที่เป็นขันมาว่ามันก็เดินเดินได้กินปกติแรงขาที่เคยตงว่าเข่ามีว่าเข่ามันก็ตึงแต่ไ้ค้าดังก็แก๊บก๊ แล้วขาด้านนอกนึงก็น่องข้างนึงก็ติดปันมันก็ขันท่าจะรีบแบบนอ่องข้างซ้ายเนี่ยตัวสุดยอดมันก็ติดเอ็นมันก็นนนจะติดหลังคอนอเดินได้มั้งเมื่อก่อนมันเดินนลำบากตะอืองพักพอมาทานตันี้ไปประมาณมันก็ใส่ชัวเป็นเดิ น, เนได้เะ็มหกมั้งออืแล้วแต่สวัสดีมากมากครับดีมากดี ดีกว่าที่เป็นการมาที่มาที่ห้องมันก็เป็นความมูลไบร์นี่เป็นผลไบร์ค่ะค่ะแล้วคุณบุญหลายมองว่าผลิตภัณฑ์มุนไบร์เนี่ยราคามันแพงเกินไปไหมคะโอ้โหแพงแล้วครับถ้าถนาดทานได้เดือนสเดือนอย่านี้สองเดือนอย่งเงือยมันไม่แพงแต่ว่าคือทานกวลทานห้าทานมากก็้นเยอะอย่างเงี้ยมูนไบร์น เป็นเรื่องเรื่อง่องเป็นเค่ะอืมแล้วคุณบุญหลายมีอะไรจะฝากกับคนที่เป็นคล้ายๆคุณบุญหลายบ้างไหมคะเป็นเป็นเป็นกระดูกคับเป็นพวกเป็นน้องกินกระดูอย่างเงี้ยนะครับแต่น้ํามันก็จะดีกินยาลองทานยาดีถึงจะผมว่ามันดีขึ้นด้นะครับนะใครกินก็ลองลองกินลองทานกันก็สบายดี เรต้องขอขอบคุณคุณบุญหลายอย่างมากนะคะที่ได้ให้แสดงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มุลไบรท์ค่ะขอบคุณค่ะครับทนปวดอยู่ทาไม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 จากดิฉนนางกาจนาแสงแย้มค่ะอยู่บริเวณที่235ครับเจ็ดหมู่สามตบลมหาโพธิ์อเภอโกเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณกาจนาคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไร์เนี่ยคุณกาจนาเป็นอะไรมาคะอาชีพธรรมรีค่ะค่ะค่ะมีอาชีพธรม ร, ธรมะรีมะรีแล้วก็ฉีดยารรมะรีทุกวันค่ะค่ะนี่พอ ปลายเครื่องแล้วก็ขาค่ะ ข, <า>ขาเขาเป็นแบบเหมือนเป็นตะคิวะคะ่ะมันตึงค่ะคะ่ะขาเป็นตะคิวมาตึงเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะโอ้เป็นมานานแล้วะคะ่ะเป็นสิบปีแล้วค่ะแล้วดิฉันก็ฟังเอฟเอ็มค่ะคะ่ะ<า>ก็ไปไปเจอบริษัทของของมุญไม้อะคะ่ะค<า>่ะแล้มันตรงกับดิฉันเป็น เจดิฉันก็สั่งซื้อตัวนี้มาค่ะค่ะแล้วก็พอทานแล้วก็ <c oughs> ก็ไปปลูกก็โลกเลยค่ะค่ะเขากินไปได้กล่องนึงแล้วรู้สึกเริ่มดีดิฉันก็เลยสั่งมาทานเรื่อยๆเลยค่ะค่ะนิดนึงนะคะคุณกาจนาที่คุณกาจนาบอกว่าชาที่ขาเนี่ยค่ะ นอกจากช้าขาแล้ว<ะ>มีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะก็มีก็ที่เป็นก็คือตรงั้นเอวนะ ค, ะค่ะเดินเหมือนคนเหมือนหลังแข็งนะคะค่ะค่ะ ต, ตรงั้นเอวเดินเหมือนคนหลังแข็งแล้วก็งลงไปที่ขาค่ะเวลาเราจะพายเครื่องเน่ะจะรู้สึกเกร็งะคะ่ะอืม รู้สึกแข็ง ม, มันเหมือนมันเหมือนตะคิวอ ะ, ะค่ะค่ะค่ะตอนนี้ใช้หลังจากใช้มูลไบรท์แล้วเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะดีขึ้นเลยค่ะค่ะพอกินก็ไปแล้วเขาเของมันจะรู้สึกกล้ามเนื้อเขามันหย่อนลงมาเองอะ่ะค่ะอืมมันเหมือนกล้ามเนื้อหย่อนมาเองแล้วก็มั น, มนเขารู้สึกดีอะค่ะแล้วก็ ก็กินมาเรื่อยๆค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้ Hello, อาการอาการที่ชาขาหรือว่าหลังแข็งยังมีอยู่บ้างไหมคะตอนนี้มันมันหักมันมันเมาไปเยอะเลยค่ะเมาไปเยอะเลยแต่เราก็จยากจะทานไปเรื่อยๆอยะะ่ะค่ะไม่อยากให้เขาเกิดใหม่อีกค่ะ อ๋อค่ะผูกกับตัวนี้แล้วคะ่ะค่ะแล้วคุณการจนามีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังที่มีอาการคล้ายๆ ค, คุณการจดามั่งไหมคะอ๋ออยากจะฝากว่าถ้าหากว่าได้ฟังจุดนี้แล้วถ้ามันเหมือนติดเสี่ยงที่ฉันเป็นขอให้ทุกท่านซื้อทานนะคะยันทานมา ทันมาตลอดนะคะรู้สึกลีเลยที่ฉันก็ได้สั่งตลอดเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเขารู้สึกเป็นอย่างทีฉันนะคะขอให้เขาซื้อกินตนาดนีค่ะอืมค่ะแล้วคุณกาญจนาว่าราคาของมูนไบรท์มันเป็นยังไงบ้างนะคะโไม่แพงค่ะค่ะไม่แพงไม่แพงค่ะไม่แพงหรอกค่ะบทีเราไปซื้อสิ่งอื่นก็แพงแต่ว่า ดูที่ราคาที่เราเรากินแล้วมันดีอ่ะมันไม่แพงเลยคุ้มซะอีกที่เราต้องทำงานทุกวันน่ะค่ะค่ะทางรายการมูนไบรท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณการนาแสนแย้มเป็นอย่างมากนะคะที่มาบอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ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 3 9มเก้าสี่หกาข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ํามันมูลไบ์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ําสั่งชุดน้ํามันมูลไบ์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมล้างหินปูนของมูลไบเนี่ยนะ สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดนะคะที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของหินปูนเกาะเส้นนะคะหินปูนนี่ไม่ได้มีแค่ในฟันนะคะในช่องปากเท่านั้นหินปูนนี่สามารถก่อให้เกิดตามข้อต่อกระดูกนะคะหรือตามเส้นได้นะคะหากท่านเป็นโรคเส้นจมเนี่ยมอนานวันเข้าเนี่ยหินปูนก็จะไปเกาะที่เส้นที่จมนั้นนะก็จะทาให้เป็นมากขึ้นนะคะและรักษาได้ยากขึ้นนะคะ เจ้าหินปูนเนี่ยเมื่อเกาะตามข้อต่อกระดูกเนี่ยท่านก็จะมีอาการปวดตามข้อตามกระดูกด้วยนะคะถ้าไปเกาะตามเส้นเส้นที่จมที่ยึดอยู่แล้วเมื่อไปเกาะเข้าก็จะทำให้เป็นมากขึ้นด้วยนะะหินปูนนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่ทำให้ก่อให้เกิดหินปูนนะ ะ, ะมันอดไม่ไดท้ที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีหินปูน เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มันก็จะก่อให้เกิดเกาะตามฟันตามเส้นตามข้อต่อกระดูกได้นะฮะล้างหินปูนของมูลไบเนี่ยนอกจากล้างหินปูนที่เกาะตามเส้นตามข้อต่อกระดูกได้แล้วเนี่ยยังช่วยลดเบาหวานได้ด้วยนะคะแล้วก็ล้างสารกายของท่านออกได้ด้วยนะฮะสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดนะคะเช่นว่านรางจืดนะคะคุณสมบัติช่วยล้างหินปูน ล, ล้างสารพิษนะคะ ลดเบาหวานและก็มีสมุนไพรอื่นอื่นอีกหลายตัวนะคะาราคาไม่แพงนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0813946977 0813946977ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆต่อ น, นั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพาะๆกันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ ความคิดถึงบตายชีวิตขงอาสุดท้ายจึงมีแต่เธอ ว่าจบกลับมาพบคนเคยให้ ยังคงย้อดมาบอกไอว่าลืมเจ้าป่อได้เวลาของรายการมูนไหร้พาเพลินได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในเวลาเดิม สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ